ปัญหาของโลกปัจจุบันนี่ที่มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูญรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูญ น, นี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม ความสำคัญของกิเลส จ, จึงทำให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่สิ่งที่จะเป็นไปให้ประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆ ท, ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ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 คนนี้มีความขยะขขยงต่อสิ่งที่ไม่ทุนปรารถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสู์นี้รู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทำบุญทำบาปจิงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันวาจะทาอะไรแล้วก็ทาตาม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 ตายแล้วสูนย์บ้างตายแล้วเกิดม้างทุกสิ่งทุกอย่างเทีย่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั่นอย่างนี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั่นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั่นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเทีย่ยงต่อกำเ น, นิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เทีย่ยงไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง เรื่องของกิเลส จ, จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในาจิตใจของเราด้วยหลักธรรมมาเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้แล้วได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระสิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดเพงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัว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 อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็าตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระ ก, กิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปนบ้านแปนเรือนนั่นแหละจะทําแ ป, น, แปนได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทํามันก็เป็นแปลนเฉยมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้น การจดจาเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เลียงไป ม, มันก็เป็นแต่ชื่อแต่ตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจาจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสำคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติ การปฏิบัติเช่นจิตจตะภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่หดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีทรามเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนไว้อย่างไรที่ควรจะละที่ควรจ ะ, ะ, รจ ะ, ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเห็นจิตมีความฟุ้งซ่าน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 จนกระทั้งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละลากสองลากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนั่นใเรื่องกระแสะของกิเลส ท, ที่ออกไปจา ก, กจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะั่นสำคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียว ต, ตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคื อ, อมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่นั่นน่ะเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชา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 ในขณะนี้มันศูนย์หรือไม่ศูนย์มันออกมาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮนานนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่หล่ะพบชาติคือความสืบต่อแห่งพบทำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั่นที่นี่มันมีเชืองมันอยู่ภายในจิตใจนี้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 บาปทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวาที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี้เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญต น, นแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าละโมกทั้งหลายทั้งนี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นเชนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุดายังจะต้องไปเสียท่าเสียทีแล้วไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอํานาจของกิเลสมาครอบงําด้วยความสําคัญมาหลอกลวงตนเองตอนนั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดู ความจริงก็คือใจใจนี้ไม่ศูนย์เชื่อแห่งกิเลสที่เชื่อแห่งภพแห่งชาติที่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกลาที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะสูนญไปไหนจะสูนย์ได้อย่างไรนี่คือความจริงมันศูนย์ไม่ได้นี่ความสําคัญเรามันศูญได้ศูนย์ได้ตามความสาคัญเฉยแต่ความจริงมันไม่ศูนย์แล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงาน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 เราตามรู้เสมอด้วยกิจตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลำดับลาดับน่ะนี่แหละท่านพิจานาทางกิจตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมาฐานท่านนั่งอย่างนี้ะจะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลล้ไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่อง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 การตัดกิเลสเลี้ยนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันก็สับแต่ว่าธาตุว่าขันหนักคือรู้ตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปลอยปล่อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยนักสุดท้ายมันมีอะไรตัดหนักฝอยเข้ามาโดยลําดับลําดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเอง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 ตัวนี้ตายเกิดตัวนี้ายตา ย, ตายตายแล้วตายเล่าลเกิดซ้ําเกิดซากเกิดมาหยุดไม่ถอยทุกท้ำาๆซากไมาหยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรือในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้อง HI, ยุตินั่นยุติตรงที่ข้าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความมืยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้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 เมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวพนงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่เรารับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันนชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้แล้วก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะขิ้เหรตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะขิ้เหร่อันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจน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 ทุกก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็ราบตามเหตุตามผลไม่ปีงเกี่ยวกับธรรมคือคติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นําธรรมมีนิชัยไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหลจะพาคนไปลงง่มจมความต้องการนั่นแหละทำลายจิตใจคนที่รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไร คือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่มิตรยาตพัทธตคื้อยาเราไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภยัยยาทั้ง น, นั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภา ย, นายใน จ, จิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนา น, นวันนี้พูดถึงเรื่องวัตถจับพูดถึงเรื่องความสูนความไม่สูน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 อันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชือ่อคือความเชื่อตามหลักธรรมโวยเจ้านั้นมาประพฤติธปฏิบัติอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มาผลิดออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภ า, ายใน จ, จิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกๆ ท, ท่านนำไปพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้กอบปัญหา แบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแล้วอาศัยธรรมะพริเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดำเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่ามานี้จึงขออยุ่ติเพียงเท่านี้เอวัง